สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมในายท่อรคนชอบเล่าวันนี้อยากจะจัดเรื่องที่เกี่ยวกับดวงวิญญาณที่มาจากข้างทางตามคําแนะนําของท่านสมาชิกนะครับซึ่งเป็นประสบการณ์ของคุณเฉวลิตคุณอรอวิภาสาครนิมนต์จังหวัดสมุทรสาครโดยเรื่องราวทั้งหมดถูกรวบรวมไว้โดยเมตตาเจโตวิมุตติเหตุการณ์ที่ท่านจะได้ฟังต่อจากนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2549 ณจังหวัดสมุทรสาครเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึง่งน้องชายซึ่งเป็นลูกของนาสาวของข้าพเจ้าได้โทรศัพท์มาขอความช่วยเหลือบอกว่าภรรยาของเขามีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงได้พาไปหาหมอรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมุทรสาครหมอได้ตรวจอย่างละเอียดเอ็กซเรย์แล้วก็หาสาเหตุไม่พบได้แต่ฉีดยาเพื่อบรรเทาปวดเท่านั้นอาการเป็นอย่างนี้มาร่วมเดือน เขาจึงอยากย้ายโรงพยาบาลแต่ไม่มีเงินจึงได้โทรมาขอความช่วยเหลือจากข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงรับปากว่าจะช่วยเหลือเรื่องเงินในการรักษาและก็เป็นจังหวะว่าพอดีข้าพเจ้าได้รู้จักและติดตามอาจารย์ท่านหนึ่งอยู่เป็นเวลา5้ถึงหปีมาแล้วท่านเป็นคาระวะที่รักษาศีลไหว้พระสวดมนต์อย่างเคร่งครัดสามารถรักษาคนเจ็บป่วยที่ไปรักษากับหมอหลวงแล้วไม่หายถ้าผู้นั้นหมดกรรมได้รักษากับท่านผู้นั้นก็จะหายจากอาการเจ็บปวดหรือไม่ก็ทุเลาลงแล้วแต่บุญแต่กรรม ข้าพเจ้าจึงแนะนําให้ภรรยาของน้องชายมาลองรักษากับอาจารย์ดูก่อนถ้าไม่หายจริงๆค่อยย้ายไปโรงพยาบาลแต่มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นเมื่อมาพบอาจารย์ภรรยาของเขาได้แต่ร้องไห้ตัวสัน่นเห็นดังนั้นข้าพเจ้าก็คิดได้ว่าในร่างกายของเขาคงไม่ได้เจ็บปวดธรรมดาด้วยความสงสารและอยากจะช่วยเหลือข้าพเจ้าจึงถามเขาว่าอยากให้เราช่วยอะไรก็ขอให้สื่อสารออกมาให้รู้ระหว่างที่ข้าพเจ้าถามนั้นเขาร้องไห้อย่างน่าเวทนาเหมือนคนที่กําลังทนทุกข์ทรมาน ข้าพเจ้าจึงได้แต่เอามือรูปหลังเขาด้วยความสงสารบอกไปว่าจะช่วยเหลือเขาทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์ใจก่อนหน้านี้ที่เขาไม่ยอมพูดกับใครเพราะเขากลัวว่าคนที่มีวิชาจะาดึงจิตของเขาไปเป็นบริวารแต่เหมือนว่าเขารับรู้ได้ว่าเราจริงใจจึงได้ยอมบอกตอนแรกก็คิดว่าเขาพูดไม่ได้จึงให้แต่เขียนใส่กระดาษซึ่งกระดาษใบนั้นทุกวันนี้ก็ยังเก็บไว้เขาเขียนทั้งชื่อและนามสกุลบ้านเลขที่อย่างละเอียดร้องไห้หนักว่าอยากกลับบ้านไปหาพ่อแม่พี่น้อง เรื่องราวที่เขาสื่อสารออกมานั้นเขาค่อยๆเล่าให้ฟังหลายครั้งใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะรวบรวมเรื่องราวให้ครบเพราะระหว่างที่เขาแถยทอดเรื่องราวให้ฟังนั้นเขามีอาการเหมือนคนทุกข์ทรมานมากรวมทั้งจะทําให้ภรรยาของน้องชายปวดท้องมากทุกครั้งที่เขาเข้ามาเราจรึงค่อยๆถามเขาเก็บข้อมูลทีละเล็กทีละน้อยสรุปได้ว่าเขาเป็นคนจังหวัดน่านมาทํางานเป็นช่างไม้สร้างวัดเกศมวดีเมื่อปีพุทธศักราช2515 โดยที่คนทางบ้านเขาไม่มีใครทราบตอนนั้นเขาอายุ17ปีต่อมาพุทธศักราช 2,519 เขาโดนรถชนตายขณะที่ยืนซื้อของอยู่ข้างทางหน้าวัดบางปิ้งซึ่งเวลานั้นเขาเช่าบ้านอยู่แถวนั้นเขาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นมืดแล้วรถกระบะพุ่งชนเขาอย่างแรงเขาโดนทับที่ท้องกลางลำตัวแหลกละเอียดตายขาดที่จึงเป็นเหตุให้ภรรยาของน้องชายที่เขามาแฝงนั้นปวดท้อง เวลาเดินต้องเอามือกุมท้องเหมือนคนที่ไส้จะไหลออกมาอย่างนั้นด้วยทางบ้านของเขาไม่ทราบว่าเขานั้นตายแล้วเพราะเขานั้นเข้ามาทํางานกับเพื่อนเพียงสองคนแต่แยกกันอยู่คนละที่สิ่งที่เล่านั้นหมายถึงเขาตายไปแล้ว33ปีถ้ายังมีชีวิตอยู่ตอนนี้เขาก็อายุประมาณ50ปีและเขาเองก็ยังไม่หมดอายุไขที่สําคัญเขาบอกว่าตอนที่มีชีวิตอยู่นั้นไม่ค่อยได้ทําบุญทําทานเอาไว้ จึงยังไม่สามารถไปไหนได้เขาจึงทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดจากการโดนรถทับวนเวียนอยู่จนมาอาศัยอยู่ที่สะพานทา่าจีนใกล้กับวัดกลางอ่างแก้วซึ่งภรรยาของน้องชายต้องผ่านไปมาทุกวันเขายังบอกอีกว่า <clicked. S 2> เหตุผลที่อยากมาเจอข้าพเจ้ากับสามีเพราะก็เคยได้รับอ น, นิสงส์ผลบุญจากการสวดมนต์เมตตาใหญ่แบบพิสดารและแผ่เมตตาของข้าพเจ้ากับสามีอยู่ครั้งหนึ่ง <S <S เขาเล่าให้ฟังอย่างน่าสงสารว่าเวลามีคนแผ่เมตตาส่งบุญมาให้ พวกเขาจะต้องแย่งกันเขาบาดเจ็บแย่งไม่ไหวเขาบอกว่าทุกคนอยากได้แต่จะไม่ได้เท่ากันทุกคนต้องนั่งกอดเขารอเขาทําท่าประกอบด้วยขณะนั้นและลุกขึ้นแย่งกันเวลาได้รับผลบุญก็จะเป็นแสงสีเหลืองทองส่องลงมาที่ตัวเขาดังนั้นเขาจึงพยายามที่จะได้เจอกับข้าพเจ้ากับสามีโดยการเกาะมากับร่างของภรรยาของน้องชายแล้วก็โดนใจให้น้องชายโทรศัพท์หาข้าพเจ้าทั้งที่ก่อนหน้านี้ข้าพเจ้ากับน้องชายคนนี้ก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกัน หลังจากนั้นข้าพเจ้ากับสามีก็รับปากว่าจะพาเขากลับไปส่งบ้านแต่ขอให้เขารับปากว่าถ้าถึงบ้านแล้วต้องทําให้ภรรยาของน้องชายหายจากอาการปวดท้องอย่างเด็ดขาดซึ่งเขาก็รับปากระหว่างช่วงวันและเวลานั้นเขาได้มาเข้าฝันภรรยาของน้องชายว่าให้หาสารพระภู่มไม้และรูปปั้นผู้ชายแล้วก็ปิดทองเพราะเมื่อกลับถึงบ้านเขาจะได้ไปอาศัยอยู่ในนั้นแล้วก็นําไปลอยน้ําที่ให้ปิดทองเพราะเขาบอกว่า ไปอยู่ในน้ําจะได้สว่างไม่ต้องใช้เทียนเราก็ทําตามกันทุกอย่างนอกจากนั้นเขายังให้จัดซื้อเสื้อผ้าพร้อมเงิน90บาทให้อธิษฐานในจิตวิญญาณทั่วไปที่มีอีกมากมายเพราะบางคนไม่มีเสื้อผ้าใส่หรือไม่ก็เก่ามากแล้วแล้วนําไปบริจาคให้กับคนยากไร้ช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าได้พูดคุยกับเขาได้รู้อะไรมากมายเช่นคนจีนชอบเผากระดาษส่งของให้บรรพบุรุษเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้รับหรอกต้องไปหาซื้อสิ่งของที่จะส่งให้ แล้วนำมาอธิษฐานเอ่ยชื่อให้คนรับนําไปถวายเป็นสังฆทานแล้วนาไปบริจาคให้คนยากจนให้ได้ใช้ได้ประโยชน์จริงๆบรรพบุรุษจึงจะได้รับใครทําความดีทําบุญมากๆสวดมนต์ภาวนาผู้นั้นจะมีเกราะเป็นแสงสีเหลืองทองสุขสว่างป้องกันตัวไม่มีใครทําอะไรได้หลังจากนั้นประมาณหนึ่งสัปดาห์ข้าพเจ้ากับสามีและญาติญาติก็ออกเดินทางไปจังหวัดด้านก่อนหน้านั้นจากการช่วยเหลือของรู้สิษย์ของอาจารย์ที่ข้าพเจ้านับถือได้เช็คข้อมูลของเขา ก็ปรากฏว่ามีชื่อนามสกุลบ้านเลขที่นั้นอยู่จริงๆแต่ก็ไม่ได้ติดต่อกับทางการมานานจนกลายเป็นคนสาบสูญไปแล้วจึงทําให้พวกเรามั่นใจว่าเราคงจะไม่โดนเขาหลอกให้ไปถึงจังหวัดน่านเราเดินทางไปถึงประมาณบ่ายสองโมงกว่าวนหาบ้านเขาอยู่นานตัวเขาที่แฝงร่างอยู่ก็พยายามนึกเขาบอกว่าผ่านไป30มสกว่าปีแล้วทุกอย่างเปลี่ยนไปมากพวกเรานัดกับลูกศิษย์กับอาจารย์ที่หน้าวัดภูมินินเมื่อเขาได้เห็นวัดเขาทําท่าดีใจอยากจะลงไปกราบพระ เราก็พาลงไปแต่เขาเข้าบูถ์ไม่ได้ต้องให้พระอาจารย์อธิษฐานขอพระประธานในโบสถ์ให้เขาจึงสามารถเข้าไปกราบได้ข้าพเจ้าส่งเงินให้เขาร้อยบาทและบอกไปยกเงินให้เขาให้เอาไปหยอดตู้ทําบุญจะได้มีผลบุญติดตัวกลับไปจากนั้นลูกศิษย์อาจารย์ก็ช่วยกันขับรถนําพวกเราไปที่บ้านเขาพอใกล้จะเจอบ้านเขาเขาบอกว่าให้รีบพาเข้าไปส่งเพราะบันนั้นเป็นบัณพระเดี๋ยวท่านไม่ให้กลับเขาบอก เราจึงนิมนต์พระสงฆ์จากวัดพระธาตุแช่แห้งมาสวดส่งบิ ญ, ญญาณให้เขาตามที่เขาขอพอทําพิธีเสร็จก็เอาสารพระภูมิกับมอเตอร์ไซค์เด็กเล่นสิ่งที่เขาอยากได้สมัยที่มีชีวิตอยู่ลอยลงไปในแม่น้ํำน่านใกล้กับบ้านของเขาที่ตอนเล็กๆ เ, เขาเคยว่ายน้ําเล่นจากนั้นเขาก็มาผ่านร่างของภรรยาน้องชายอีกครั้งเขาร้องไห้น้ําตาไหลบอกว่าดีใจมากที่ได้กลับบ้านและรู้สึกเสียใจที่จะไม่ได้เจอกับพวกเราอีกข้าพเจ้าเองก็อดใจหายไม่ได้ แต่บอกว่าจะทําบุญสวดมนต์อุทิศไปให้คอยรับนะเกิดชาติหน้าค่อยมาเจอกันใหม่และบอกกับเขาว่าทุกคนในที่นี้ดีใจมากที่ได้ช่วยเหลือเขาเขายกมือไหว้ขอบคุณทุกคนพร้อมกับร้องไห้ก้มลงกราบข้าพเจ้าที่ตักข้าพเจ้ารู้สึกตื้นตันใจมากหันกลับไปมองสามีข้าพเจ้าและบอกให้เขาขอบคุณเพราะก็เป็นคนสําคัญที่สุดเป็นทั้งคนขับรถมาส่งจากมหาชัยจนถึงจังหวัด น, น่านภายในวันเดียวแล้วยังออกค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดโดยไม่หวังผลตอบแทน เขาน้ำตาไหลก้มลงกราบที่เท้าของสามีข้าพเจ้าภาพนั้นทําให้ทุกคนอดกลั้นน้ําตาไว้ไม่ได้จริงๆและเขาก็ก้มลงที่ตักของข้าพเจ้าแล้วจากไปนับจากวินาทีนั้นภรรยาของน้องชายก็มีความรู้สึกเบาเนื้อเบาตัวและที่สําคัญไม่มีอาการปวดท้องอีกเลยนั่นคือสิ่งที่เขารับปากไว้แล้วทําตามจริงๆจนถึงทุกวันนี้เวลาข้าพเจ้านึกถึงเหตุการณ์นั้นเมื่อไรก็อดที่จะมีความรู้สึกอิ่มเอิมใจเสียทุกครั้งเพราะเชื่อว่า คงไม่เคยได้มีใครได้มีโอกาสช่วยเหลือจิตวิญญาณที่ทนทุกข์ทรมานมากกว่า30ปีให้ได้กลับบ้านเกิดเรื่องทั้งหมดที่ท่านได้ฟังนี้อาจจะเป็นเรื่องเหลือเชื่อเกินจริงแต่ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและสาเหตุที่ข้าพเจ้านํามาบอกเล่ากับท่านให้ทําความดีทําบุญทําทานสร้างกุศลไหว้พระสวดมนต์เสียตั้งแต่ตอนมีชีวิตอยู่และแผ่เมตตาให้แก่ตัวท่านเองให้แก่เทพเทวาประจําตัวท่าน เทพเทวาจะได้มีบา ร, รมีสูงพอที่จะช่วยเหลือท่านในยามคับขันให้แก่ผู้อื่นก็ตามแต่ใจท่านยิ่งแผ่ยิ่งเพิ่มผูนมากมายทวีคูณข้าพเจ้าขอให้อ น, นิสงผลบุญแห่งความดีที่ท่านจะได้สร้างต่อไปนับจากนี้ขอจงส่งถึงเจ้าของเรื่องโดยตรงคือนายสมบูรณ์ภูมินินจิตวิ ญ, ญญาณแห่งลุ่มน้ํานานที่แม้เป็นเพียงจิตวิญ ญ, ญาณก็ยังรักษาคําพูดรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือในสมบูรณ์ภูมิินทุกคนและยังรวมถึงตัวท่านผู้ฟังเอง ถ้าหากได้นําเรื่องนี้ไปถ่ายทอดต่อแม้ว่าท่านไม่ได้ประสบกับตัวเองจริงๆแต่เพียงแรงบันดาลใจในการทําความดีดังนั้นขอให้สิ่งดีๆที่ท่านจะได้ทําส่งผลให้ท่านพร้อมทั้งคนที่ท่านรักทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญพบเจอแต่สิ่งดีๆคิดหวังสิ่งใดในทางที่ดีก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการทั้งพบนี้และพบหน้าด้วยเถินครับและนี่ก็คือเรื่องราวประสบการณ์เกี่ยวกับดวงมิญญนยาณดวงหนึ่งที่ได้เกิดขึ้นจริงกับตัวของผู้แชร์เรื่องราวให้ผมได้นํามาถ่ายทอดต่อ หวังว่าคลิปนี้ท่านผู้ฟังคงจะได้ข้อคิดดีๆกลับไปไม่มากก็น้อยนะครับเสียงอาจจะอู้อี้แต่ความอู้อี้ก็ไม่สามารถที่จะขัดขวางการทาคลิปของผมได้เพราะผมกลัวว่าท่านสมาชิกจะนอนไม่หลับอากาศมันร้อนภูมิแพ้ก็ถามหาพอดีกว่าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ